สเบียงบุญผมจึงขอเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเวลาของเราเหลือน้อยเต็มทีต้องเร่งเรื่องการทำบุญและเสริมสร้างทานบารมีเพราะเราต้องใช้เป็นสเบียงในภพหน้าเรายังไม่หลุดพ้นจากกา ร, รมมพภพยังไม่พ้นเวรพ้นกรรมต้องชดใช้กันให้หมดก่อนจึงจะข้ามภพภูมิไปได้หลวงตาได้บอกเราว่าประเทศไทย ทั่วทั้งประเทศยังไม่พอฝังร่างของเราที่เวียนว่ายตายเกิดในชาติภพนี้เลยภพที่เกิดมาแล้วมีโอกาสได้ทําบุญทาทานและประพฤติดีประพฤติชอบมีอยู่เพียงภพเดียวคือมนุษย์นี้เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่ได้เกิดมาในพระบวรพุทธศาสนาที่เชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดกรรมและผลของกรรมมีจริง คนจํานวนมากปฏิเสธความเชื่อในเรื่องนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่สัมผัสไม่ได้พวกเขาไม่มีความเชื่อในบาปบุญคุณโทษอ้างว่าไม่ได้เห็นกับตาไม่สามารถพิสูจน์ได้ผมเสียด้เวลาที่ผ่านมาที่ผมใช้ชีวิตทางโลกอย่างเต็มที่มุ่งส่อแสวงหาแต่ความสะดวกสบายและความสุขสนุกสนานแต่ก็ต้องผจนกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจากความโลภโกรธหลง กว่าจะได้สำนึกว่าช่างน่าเสียดายเวลาในชีวิตที่ผ่านไปนั้นซิเลเกินผมไม่ได้ทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามากนักจนกระทั่งได้มีโอกาสกราบพระหลวงตาผู้เพียบพร้อมไปด้วยความเมตตาหาที่สุดไม่ได้